บัดนี้จะสแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา น, นั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วธรรมะเหล่านั้น ก็คือเรื่องของเรศั์ทั้ง4ประการที่ทรงจาแนกแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดารนั้นเพราะว่าผู้ฟังมีพื้นฐานจริตรอัตยศสัยที่แตกต่างกันเพราะในส่วนการศึกษ า, ารเรียนรู้ที่เราเรียกว่าปริยตรัติสัจธรรมจึงจำเป็นจะต้องศึกษ า, ารเรียนรู้มากเป็นพิเศษ ประการแรกก็คือเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนประการที่2ก็เพื่อทารงรักษ า, าศาสนธรรมเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดต่อไปสู่คนอื่นต่อไปเป็นการช่วยกันทำรงรักษ า, าศาสนธรรมเอาไว้ให้ดำรงอยู่คู่โลกตลอดกาลและนา น, น, นแต่ในภาคของการประพฤติปฏิบัตินั้นธรรมาทั้ง2กลุ่ม เป็นเหตุปัจจัยของการอะไรกันคือในส่วนของกุศลธรรมถ้ามีจุดเริ่มต้นเป็นกุศลธรรมแล้วกำลังของกุศลธรรมก็ไใดข้อหนึ่งที่บุคคลให้งเกิดขึ้นในตอนแรกเมื่อเพิ่มขึ้นก็จะไปเชื่อมต่อกับกุศลธรรมข้ออื่น การดึงกุศลธรรมเหล่านั้นเข้ามาเสริมตัวเองให้มีกําลังมากยิ่งขึ้นและจะดึงกุศลธรรมเราอื่นเพิ่มขึ้นมาโดยทาดักจนกลายเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมของกุศลธรรมทั้งหลายข้อนี้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้ว กุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่บังเกิดแล้วก็จะเพิ่มขูนมากยิ่งขึ้นคนนี้ถ้าเรามองดูการเพิ่มของกุศลแธรรมนั้นจะเหมือนกับแม่น้ําขนาดใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ําแม่โขงแม่น้ำโพโขแม่น้อย่างสีเกลียงแม่น้ำํำคงคาอะไรก็ตาม คือว่าเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากแต่ถ้าเราสืบสวนไปที่จุดเริ่มต้นแม่น้ําเหล่านั้นก็เกิดจากตาน้ําจากแอ่งน้ําเล็กๆ เ, เ, เท่านั้นเองแต่ในขณะที่เขาไหลลงมานั้นก็มีน้ําเหลืออื่นเข้ามาสมท บ, บอุดขึด้วยก็กลายเป็นแม่น้ําที่ใหญ่โตจุดเริ่มต้นของกุศลธรรมเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้น อนตมาแต่และข้อจึงเป็นปริยายที่ส่งสั่งสอนโดยในยะหนึ่งในยะหนึ่งที่บุคคลได้เลือกเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าเพิ่มพูนธรรมะโดยมีจุดนั้นเป็นฐานคนนี้เราจะพบว่าบางครั้งก็ส่งรับสั่งอะไรไปโดดๆเช่นบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา เป็นข้อความสั้นๆในแง่ของปริยัติก็พูดนิดเดียวก็จบแล้วแต่ในแง่ของการประพฤติปฏิบัติแล้วจะสังเกตได้ว่าปัญญาที่บุคคลพยายามเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นนั้นก็จะทำให้มองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลนั้นจะถูกถูกคุ้มห่อไว้ด้วยวิศาที่แปลว่าความมืดบอดหรือความไม่รู้หรืออาจจะแปลว่าความรู้ที่ไม่จริงลักษณะของความรู้ที่ไม่จริงก็เปรียบเหมือนคนที่อยู่ท่ามกลางความมืดในบรรยากาศรอบขั่งที่มืดมากมา ก, มากนั้นการกับเจากระยื่นเคลื่อนไหวของคนทุกขณะจะมากไปด้วย อันตรายมากกว่าด้วยไฟอาจจะเกิดการบาดเจ็บถึงกับพิการระสบภัยอันตรายต่างๆในทับกลางของความมืดจิตใจประเภทที่หุ้มห่อด้วยอวิชชาจริงๆคือมืดบอดจริงๆจะเป็นวิถีชีวิตแบบใกล้ๆกับแหลงเม่าที่บินเข้ากองไฟแม้จะมีเพื่อนฝูงบินเข้าไป ก็ไม่ย้อนกลับคืนมาก็เพระตายในไฟแต่ไม่ไมแลงเมาเราอื่นก็คงบินเข้าไปแล้วก็ตายเช่นเดียวกันก็กลายเป็นชาติพันธุ์ของสัตว์ที่มีลักษณะอย่างนั้นถึงเรามองดูสภาพจิตแล้วก็คือความมืดปอดาะลกษนะของสัตว์ติรชานั้นก็คือโมหะเป็นแกนใจเป็นฐานใจของเขา เราจะประพฤติการทำอะไรก็ตามก็หนักไปในทางโมหะคือความหลงถ้าพูดถึงบรรยากาศก็กคือมืดมากๆทีนี้เมื่อแสงสว่างเพิ่มขึ้นความมืดในจางลงคลายลงก็จะเห็นอะไรเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับสมารถจำแนกแยกแยะได้บ้างแยกแยะไม่ได้บ้างโอกาสที่ประสบภัยอันตรายก็ลดลงน้อยลง าสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคฝากน้าก้อนิก้อนหินต่างๆซึ่งขวางอยู่าสามารถจะเดินไปหลบไปได้ก็ดีเพิ่มขึนถึงแม้จะไม่ร้อยเอร์เซ็ตก็ตามแต่เมื่อปริมาณของแสงสว่างเขาเพิ่มขึนเพิ่มขึนการเดินโดยปกติประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นแต่ปัญญาจงกลายเป็นแสงสว่าง ที่ตรงกันข้ามกับวิชาที่เร็วความมืดโลกมันก็มีสองขั้วอย่างนี้บรรดาสับปีกิเลสทั้งหลายนั้นก็สืบเนื่องมาจากอาวิชาก็คือความมืดก็แสงสว่างเขาเพิ่มความมืดก็ลดถึงหมายความมืดปัญญาเพิ่ ม, ม, มกิเลสก็จะลดตอนนี้จะมีการตรวจสอบ ลักษณะทางจิตของเราเองก็จะเห็นได้ว่ามีอารมณ์เป็นอันมากที่เคยกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลิอนอยากได้หลงหลาไขว่คว้าปรารถนาสนุสนานเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นในวัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่แต่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยลําดับมีเรื่องเป็นอันมากที่เคยสนุสนานเพลิดเพลิน พอเป็นผู้ใหญ่เป็นวินโูชนมีสติปัญญามีเหตุผลเพิ่มขึ้นมีการวิเคราะห์วินิฉัยตัด ส, สินสิ่งเหล่านั้นในแง่ของเหตุของผลเปิดว่าเป็นการประพฤติธรรมที่ร้ประโยชน์บางครั้งกว่าจะมองไปในแง่ที่น่าอับอายก็จะมีการถ่ายถอนจิตจากความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นออกมาก็ยกระดับจิตคองตนสูงขึ้นจากการปล่อยวางปรารถนาในลักษณะนั้น ถึงแม้กิเลสจะมีอยู่แต่ว่ามีเป็นดันมากที่เราลดละลงไปได้อารมณ์ที่เคยกัาหนักยากได้ก็ลดความกําหนัอจากได้ลงไปเรื่องที้ก่อให้เกิดความไม่รู้ไม่เข้าใจก็จัดความไม่รู้ไม่เข้าใจลงไปเรื่องที่เคยโกรธครับแคลนจิงชังก็ลดความรู้สึกเหล่านั้นลงไปนั้นแสดงว่าพอปัญญาเขาเพิ่มขึ้น เขาจะทำหนะ้าที่ลดกิเลสลงไปโดยดั่ดับในการลดนั้นป็นสังเกตว่าที่จริงเขาลดมาตั้งแต่พื้นฐานจิตของคนที่ประกอบด้วยสัชาติกปัญญาคือปัญญาที่ติดมาโดยกำเนิดละะักษณะลักษณะาทางอารมณ์ของเด็กก็จะมีความแตกต่างกันเร่นความอยากได้ก็ดีความโกรธก็ดีความหงุดหงิก็ดีความสุขสนก็ดีอะไรต่างๆก็ตาม เราเห็นว่ลักษณะพื้นฐานจริงเขาก็แตกต่างกันสแสดงว่ากิเลสน้อยกิเลสมากนั้นก็มีมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะอะไรเพราะคนบางค น, คนมีสัาติกปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมาแต่กําเนิดมากแม้อายุจะรุ่นราวเท่าเดียวกันแต่เธอควบคุมตัวเองได้ดีกว่าในขณะที่คนหนึ่งอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยจะควบคุมได้ในระยะสั้น ต่อมามีเมื่อมีการศึกษาเรียนรู้มีเป็นอันมากที่สําเร็จด้วยเร็วคือมองเง็นคุณแห่งโทษได้เร็วคนบางคนแม้แต่อ่านหนังสือแม้แต่อ่านข้อความต่างๆที่มีเขียนเอาไว้มีบอกเอาไว้ในตารางที่ต่างๆ ก็จะเกิดสานึกได้ทันทีทันใดที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นที่เราสามารถจะมองคนที่ขับรถไปตามท้องถนนพอไฟแดงเขาก็จะหยุดก็หยุดได้ด้วยอัตโนมัติแต่มามองอีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่ทาได้ตัวทั่วไปคือคนบางคนก็จะฝ่าไฟแดงไปเลยแต่บางคนก็อาจจะ หยุดเดี๋ยวหยุดเลยจุดที่ควรที่เขากําหนดให้หยุดเป็นจุด น, นั่นแสดงลักษณะของอาการปัญญาที่เกิดขึ้นคุ้มครองตัวเองวิเคราะห์วินิจฉยัยที่เรียกว่ามีวินัยในตัวเองได้สูงผู้ชายได้ทรงแสดงเป็นรูปของคนที่เปรียบเปรียบเปรียบด้วยสัตว์อาชญ์ในไปทรงแสดงเห็นว่าคนบางคนแม้จะได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรเพียงเล็กเล็กน้อยเท่านั้นเอง จะสำเหนียกได้ทันทีจะปฏิบัติได้ทันทีโดยเปรียบเหมือนสัตว์ชนัยหลายๆระดับรับสั่งว่าระดับแรกนั้นจะรู้ความประสงค์ของนายนายจะให้ไปในที่ไหนจะทำอย่างไรก็ไปได้ตีนท้ายคำว่าไปได้แล้วก็ทนได้แล้วก็ฆ่าได้ หมายความว่าเมื่อมีความประสงค์บางเกิดขึ้นคือความประสงค์ของนายมาเกิดขึ้นวิธีทำไปได้ตามนั้นแสดงถึงมีเชา่ามีปัญญาไหวไหวพริบมากประการที่สองนั้นจะต้องเห็นเงาแท้เสก่อนถึงหมายความว่าถ้าเปรียบเหมือนคนก็จะต้องมีการบอกกล่าวชี้แจงหรือแสดงอะไรให้ทราบ ปางทก็อาจจะเป็นเพียงสัญญาณอหรืออาจจะขยิบตาอาจจะส่งสัญญาณอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้แสดงถึงผูกปัญญาที่ลดน้อยลงมามีเวินในตัวเองก็ลดน้อยลงมาแต่ว่าก็ไม่ใช่คนปกติธรรมดามีปัญญาเกิดขึ้นคุ้มครองตัวเองประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปได้ในเวลาที่รวดเร็ว แต่บางคนอาจจะต้องได้ยินบ า, บางตัวอาจจะต้องยินเสียงแส้เสียก่อนถึงสามารถประพฤติปฏิบัติได้จิตใจของบุคคลบางคนก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องมีการตอกย้าว่ากล่าวตักเตือนบางทีก็อาจจะใช้วิการวิธีการคมคู่อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกวบคุมให้เป็นไปแต่ในสุดเขาก็เป็นไปได้แต่บางคนอาจจะถุง ถึงตีด้วยปะตักหรือแทงด้วยปะตักจึงจะเป็นไปได้นี่แสดงให้เห็นถนึงภูมิปัญญาที่แตกต่างกันถ้าส่งเปรียบด้วยมา้า ส, สี่ตัวจิ่ใจของบุคคลเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่แสดงว่าภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสมเนียกได้ยินได้ฟังของบุคคลนั่นเองบางทีพื้นฐานทางปัญญาเขามากกว่าก็สามารถจับจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาและพิจารณาได้ อย่างพระวิสุตรรูปหนึ่งเดินผ่านไปบริเวณสระน้า mm. ก็มีผู้หญิงเ mm. ็เก็บดอกไม้อยู่แล้วก็ร้องเพลงคือเก็บดอกบัวอยู่แล้วก็กร้องเพลงไปด้วย mm. ว่าดอกบัวเหล่านี้ mm. เมื่อโผล่ขึ้นมาพ้นน้าแล้ว mm. ก็ต้องแสงพระอาทิตย์ก็จะเบ่งบานผ่านกาลเวลาไปก็จะเหี่ยวเฉาโร่วงโรยหมดสิ้นความสวยงามพระท่านจับประเด็นได้ มองเห็นดอกบัวนั้นคือสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจุดหนึ่งมีเหตุปัจจัยก็ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ก็เบ่งบานสวยงามเป็นที่พอใจต้องการของบุคคลทั้งหลายแต่ในความเป็นสังขารนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มขึ้นความสวยงาม ก็จะลดน้อยถอยลงแล้วในสุดก็ร่วงโรยออกลงไปโดยลาดับแล้วดึงกลับเข้ามาหาสู่ตัวเองก็จะมองเห็นว่าแม่เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้วงการผ่านวัยของความเป็นเด็กจนถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวยุก็แก่เฒ่าลงไปเรื่อยๆดูแล้วก็เหมือนกับดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาจากลาต้นดอกกอบัวโดยลาดับ ผ่านภายัยผ่านอันตรายต่างๆในน้ำมาโดยลำดับแรือว่าโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำได้รับแสงประอาทิตย์แก็ปานก็น่าจะเบิกบานโดยานานแต่เอาก็จริงมันก็อยู่ไม่ได้ดนานชีวิตคนเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นผ่านวัยที่เบ่งบานสวยงามเปงนช่วระยะสั้นๆแต่ในที่สุดก็เริ่มเข้าสู่ความจรา ใจที่ท่านไ ข, ขว่คว้าอยู่ในคนในสัตว์ในสิ่งของเหล่าอื่นสิ่งของเหล่านั้นก็ถูกมองโดยทํานองเดียวกันว่าเป็นสังคตรธรรมคือเกิดขึ้นโดยปัจจัยป ร, ปรุงแต่งแล้วก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดำับความสวยงามความเปลงป่งปลั่งมีน่าเมินวนก็จะอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วท่านใช้อารมณ์เหล่านั้นเองคือเจริญมีปัสนา บรรุมผลเป็นพระยะบุคคลไปได้คราวนี้เราสังเกตว่าชั้นแรกมันก็เป็นเพลงแต่นั่นเองแต่เนื่องจากปัญญาวไวสามารถหยิบช่วยเอาได้แต่ว่าถือเป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้จึนสามารถปรรุมักผลอย่างสูงในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เราเอง ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังอยู่ในพระราชวังอยู่นั่นจุดประทับใจล้วก็สร้างความสนพระไทยให้เกิดขึ้นแก่พระองค์ก็ด้วยการได้ยินคาว่านิปุตาที่เ ป, ปรพดับจึงเราเรียกนิพพานในตอนหลังเกิดขึ้นจากพระญาติของพระองค์ผู้หนึ่งคือพระนางกีสาโคตมีมาเดินสวนกับพระโพธิสัต์ มองพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้กล่าวว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ท่านทั้งสองนั้นดับเย็นดีแล้วผู้หญิงคนใดมีผู้ชายคนนี้เป็นสามีผู้หญิงคนนั้นก็ดับเย็นดีแล้วเอ้คำว่าดับเย็นสองสามคา ติเตนไดจิตนั้นแล้วก็สนพระไถยคือมองมาที่จริงก็มองกันคนละชั้นพนงังอิสาโคตมีมองว่าลูกที่ดีอย่างนี้ใครมีลูกดีอย่างนี้ก็สบายใจได้แล้ววางใจได้แล้วจะมีปัญหาอะไรแล้วใครที่เป็นพัญญาของผู้ชายคนนี้ก็สบายดีแล้วคือท่านมองไปในแง่ของโลกิยะเท่านั้นเอง แต่พระโพธิสัตว์กลับมองในรูปของการดับเย็นจริงๆต่อการดับเย็นในลักษณะนั้นมันก็ดับโวครั้งโจคราวแต่มีปัจจัยร้อนมันก็ร้อนขึ้นมาเลยอีกก็เกิดมุ่งมั่นที่จะสัมผัสผลคือดับเย็นจริงๆหรือให้ไปตามที่ดับเย็นจริงๆนี่เราจะเห็นว่าในเชิงปัญญาก็คือปัญญาจากการได้ยินเราเรียกว่าสุตตามจะปัญญา แต่ผู้ฟังไม่ได้ปล่อยให้หยุดอยู่ตรงนั้นนำํำคำพูดเหล่านั้นมาคิดมาพิจารณาในแง่ในมุมต่างๆให้เราสังเกตว่าภิกษุนั้นมองในแง่ของทุกขสัตว์แต่พระโพธิสัตว์มองในแง่ของนิโรธสัตว์มองไปที่ผลคือความดับเย็นเป็นอาการของนิโรธ แต่ทุกกษัตริย์เองก็เป็นผลนิโรธเองก็เป็นผลเพราะฉะนั้นพิสูตรรูปนั่นเองก็ต้องพยายามที่จะศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการยึดติดอยู่ในกายตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนแต่ก็มองเห็นโทษของการเกาะเกี่ยวกันยึดติดในลักษณะนั้นพะในที่สุดสิ่งทั้งพวงก็ต้องทอดทิ้งไป กำหนดหลักในแนวการปฏิบัติถึงก็กลายเป็นมรรคตรัสของบริษัทเองก็มีแนวนั้นจุดตุองหมายที่ค้นคว้าก็คือค้นคว้าเพื่อให้ประสบสิ่งที่เรียกว่าสงบเจ็นหรือดับเย็นเพราะในสุดตรงก็อะไรประสบความดับเย็นเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าคนสามารถศึกษาสับนี่งคือจับตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ ที่พระเจ้าทรงใช้คําถึงการใช้ชีวิตของคนว่าคนเรานั้นไม่ได้สำคัญอยู่ที่มีอายุเท่าไหร่แต่สำคัญอยู่ที่เขาใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรอย่างที่ทรงแสดงไว้ในสัตว์แข่งประธรรมบทเป็นนั้นมากจุดเด่นก็คือต้องการให้คนใช้ชีวิตในแต่ละขณะ แล้วเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะข้างหน้าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหราือาจจะตายแต่ก่อนก็ได้รับสั่งไว้ว่าคนเราแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นความเกิดดับบ้างอยุดประมาทบ้างไม่ปฏิบัติตามนิยมมีองคแปประกาศบ้างตุน่นใช้หลายข้อเลยกันก็สู้คนที่มีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวแต่ว่าเห็นความเกิดดับไม่ได้ หรือว่าไม่ประมาทไม่ได้หรือเดินไปในอะไรมากกวงแปไม่ได้เป็นต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าปัญญามีลักษณะที่คุ้มครองตัวพอได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆที่จริงก็คือการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นทางประจาจจัมผุันปัญญาเขามีกําลังพอเขาหาประโยชน์ได้ทุกจุดแต่ในจุดนั้นเองถ้าหากว่าปัญญาไม่พอ มันก็เพิ่มกิเลสขึ้นได้ทุกจุดเป็นกันเพิ่มได้ทั้งเห็นรูปทั้งฟังเสียงทั้งดมกลิ่นทั้งเลียมรสทั้งถูกต้องเห็นด้อนอนแข่งแต่เนี่ยนึกตึกนึ ก, นกถึงอารมณ์เอามาความาใจมันก็ไหลก็สู่กระแสะของกุศลจะถามว่าทําไมเป็นจันนั้น ป, ปัญญามันมีกําลังไม่มากพอที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งซึ่งตนสัมผัสแต่ถ้าว่า มีปัญญามากพอในจุดเดียวกันนั่นเองในรูปเดียวกันในเสียงเดียวกันในกินเดียวกันในรถเดียวกันในสัมผัสอย่างเดียวกันหรือแม้ในอารมอยกันเดียวกันแต่ท่านที่มีปัญญาคุ้มครองจิตใจได้พอีอ่สงสัยกัว่ามีปัญญาบริหารตนหรือคุ้มครองตน ร, รักษาตนได้พอผู้คนสามารถหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องจินรูปธรรมทั้งหลายจะใช้ยังไงก็ได้ บางครั้งก็อาจจะมองจากก้อนเมฆ จ, จะมองจากสายลมมองจากแสงแดดมองจากกระแสน้ำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยคือเราใช้ในแนวของสมถะก็ได้เช่นสมมติวา่าน้าถ้าใช้แนวส ง, งบคือมองให้จิตส ง, งบอยู่กับกระแสน้ำลกลายเป็นสมถะก็เป็นอัโภกศิล เป็นการเพ่งไปที่กสินแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพิจารณาถึงน้ำแยแยเห็นว่าน้ำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยย่อยลงไปแล้วไปถึงจุดหนึ่งความเป็นน้ำก็ไม่มีเพราะน้ำเป็นธาตุผสมเพราะนั้นคนเราเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้น มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก่อคุมกคามมาได้เรื่อยๆก็มีเรากับของเราขึ้นไปโดยลำดับแต่ตัวเรานั้นขยายได้จํากัดแต่ของเรานั้นจะขยายออกไปเรื่อยๆด้วยใจที่ไขว่คว้าไปเรื่อยๆก็ของเราของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงชช้ก็ว่ า, า, วาเหมือนกับนกไม้หักกะนกไม้หักกะนั้นไม้หักกะก็แปลของเรา รูปร่างไปยังไงก็ไม่ทราบเหมาือนกันหรจับในที่ใดก็จะร้องไม่หั่งไม่หั่งทุกแห่งแปว่าของเราของเราของเราไปเรื่อยๆแต่ในแง่ของความจริงที่เป็นจริงนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆของเราจรึงเป็นเรื่องเจอกันชั่วครั้งชั่วคราวเป็นการเจอเพื่อพลาดพลาดบางทีกว่าจะเจอตั้งนานเจออยู่ไม่เท่าไหร่ก็พลาดพราดไปแล้ว แล้วบางทีนั้นเราอาจจะพ ร, ราดเขาไปหรือบางทีเขาก็พ ร, ราดเราไปแต่ก็จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดตัวเราไปเป็นส บ, บัติของโลกเป็นทรัพย์สินของโลกในสุดเราก็ต้องทิ้งไปในจุดเองถ้าก็หาประโยชน์ได้แต่ถ้าว่าปัญญาไม่มีมากพอจะเห็นว่าการเกาะกุมยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายมันก็มีอยู่สองแนวแต่นั้น ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่ารวบถือหรือแยกถือเช่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นเรือนรวบถือก็รวบไปเลยบ้านก็เป็นหลังรถก็เป็นคันคนก็เป็นคนสัตว์ก็เป็นตัวไปเลยแล้วกําหนดเป็นสวยงามหรือไม่สวยงามแล้วก่อเกิดความรักความสั่งตามการกําหนดของเราเองแต่บางทีก็ไปเลือกกําหนดเอา ว่ดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยที่ทรงใช้คําว่าถือโดยอนุพยัญชนะนถือแยกอวัายวะส่วนใดส่วนหนึ่งของคนกําหนดว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้สวยสิ่งนี้สวยและด้วยจิตที่กําหนดนั้นเองจะละเลยจุดบกพร่องแตถึงจุดหนึ่งก็อาจจะสวยหมดก็ได้แต่ว่าตอนกําหนดครั้งแรกก็จะสวยเป็นจุดจุดหรือไม่ดีเป็นจุดจุดไปกิเลสเมืก่ก็เกาะอยู่ตรงนี้ แต่ถามปัญญาไปเกาะตรงไหนก็เกาะตรง น, น, น, รงนี้ตรงจุดเดียวกันนั่นเองเพราะปัญญาที่เป็นหลักเนี่ยปัญญาชั้นแรกก็คือมองเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของสิ่งเดียนั้นแสดงว่าท่านแยกมาตั้งแต่ต้นรือมองแยกมาตั้งแต่ต้นเห็นว่าที่จริงแล้วสิ่งเดล่านั้นเดิมที่ก็ไม่มีแต่ก็มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นในสุดก็เป็นสิ่งที่มี แล้วก็สมมติบัญญัติแต่งตั้งกันว่าเรื่อยๆก็ซ้อนกันไปเรื่อยๆแต่ว่าจบลงในสภาพเดิมคือจะไม่มีนี่ปัญญาที่มองเห็นกระบวนการเกิดแต่ที่นี้บางอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นจิตเป็นอันอยู่แล้วถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องเป็นนิสัยเป็นนาใจก็จะกำหนัดเพื่อเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นหรืชิงชังในสิ่งในคนเหล่านั้น ปัญญาก็เข้าจับตรงนี้มองจำมองจำแรกที่ตรงใช้คมปัญญาจำแรกคือแยกแยกออกมาแล้วในที่สุดก็จะหาความเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะความเป็นอย่างนั้นเป็นคนเป็นสัตเป็นสิน่งของไม่ว่านเป็นเรือนก็เป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มขึ้นแต่ว่าแยกก็แล้วอย่างในมหาสติปัฏฐานสุด ทพระเจ้าทรงสอนแยกไปเรื่อยๆจนแยกร่างกายออกเป็นอาการ32การนี้แหละเป็นที่เกิดของโลภะโทสะโกระเป็นความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็เกิดที่กายเนี่ยแต่การนี้แหละสามารถที่จะเป็นครูให้ความรู้ที่แท้จริงแก่จิตจนดึงจิตออกจากการผูกพันกับร่างกายของตนออกไปได้ก็โดยอาศัยการพิจารณา หเห็นถึงความจริงที่มีอยู่ในกายของเราจะทร ง, งแยกเอาไว้แยกกายเป็นการสามสองแยกเป็นธาตุสีอย่างดูไม่เห็นยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจก็อไปดูที่ซากศพซึ่งปรากฏอยู่ในป่าชาติในรัตนนา ต, ต่างๆจะเห็นว่าร่างกายเรากับกายเขาก็คืออย่างเดียวกันในส่วนประกอบของส่วนที่เป็นวัตถุธาตุ กรดิน้ำลงไฟในส่วนที่เป็นน้ำก็คือจิตใจก็เป็นองค์ประกอบลักษณะอย่างเดียวกันและในสุดมันก็แตกสลายไปเพราะนั้นปัญญาที่ท่านใช้ในแต่ละจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปฏิปทาของุูเจ้าพระหารันในพระยาสาวกเหล่าอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคืออะไรก็ได้แต่ท่านใช้ปัญญาไปพิจารณาสอดส่องมองเห็นความจริงในเรื่องเหล่านั้น เนื่งจากปัญญาเป็นแสงสว่างดังเปล่าท่ามองไปพิจารณาไปความสว่างเพิ่มขึ้นความโลภความหลงก็จะลดลงจิตใจของท่านจะมีความสงบเพิ่มขึ้นตามสมควรแก่การปฏริบัติปฏิบัติต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป